ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรื่องที่สองปริขาระวินิชยกถากระถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องบริขาร น, นำมาจากอัตถกถาสมันตะปาสาธิกาทุติยปาราชิก ค, คำว่าปริขาโรได้แก่บริขารของสมณนะ เวนิยาสังหะอัตถกฐานี้มีวินิชัยเรื่องบริฐารที่เป็นกัปปิยะและอากัปปิยะดังต่อไปนี้ชนบางพวกเอาได้เบญจพัเย็บร่มวงเล็บกรดใบาตาลติดกันทั้งภายในภายนอกแล้วทำให้มีสีเกลี้ยงเกลาร่มเช่นนั้นไม่ควรแต่จะเอาได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเขียวหรือเหลือง ซึ่งมีสีอย่างเดียวกันเย็บติดกันทั้งภายในและภายนอกหรือจะมัดซี่กรงตรึงยึดคันร่มไว้ควรอยู่ก็แลกการเย็บและการมัดไว้นั้นเพื่อทำให้ทนทานจึงควรเพื่อจะทำให้มีสีเกี้ยงกล่าวไม่ควรในใบร่มจะสลักรูปฟันมังกรหรือรูปพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวไว้ไม่ควร ที่คันร่มจะมีรูปหมอ้อน้ําหรือรูปสัตว์ร้ายเหมือนที่เขาทําไว้ที่เสาเรือนก็ไม่ควรแมะหากว่าที่คันร่มทั้งหมดเขาจะเอาเหล็กจานเขียนสลักลวดลายไว้ไส่แม้ลวดลายนั้นก็ไม่ควรรูปหมอ้อน้ําก็ดีรูปสัตว์ร้ายก็ดีควรทําลายเสียก่อนจึงใช้ควรขูดลวดลายนั้นออกหรือเอาได้พันด้ามเสีย แต่ที่โคนด้ามจะมีสันฐานเหมือนเห็ดหัวงูควรอยู่พวกช่างร่มเอาเชือกมัดวงกลมของร่มผูกมัดไว้ที่คันเพื่อกันไม่ให้โยกเยกเพราะถูกลมพัดในที่ที่ผูกมัดไว้นั้นเขายกตั้งวางลวดลายไว้เหมือนว่าลัยก็คือห่วงหรือว่ากำลายมือลวดลายนั้นควรอยู่พวกพิกตุเอาได้สีต่างๆเย็บเป็นรูปสี ดังตะขาเพื่อต้องการประดับจีวรติดผ้าดามก็ดีทำรูปแปลกประหลาดซึ่งเย็บ ด, ด้วยเข็มอย่างใดอย่างหนึ่งแม่อื่นไว้ก็ดีรูปช้องผมรูปโซ่รูปตะบองไว้ที่ริมตะเข็บหรือที่ชายผ้าวงเล็บอนุวาดจีวรก็ดีวิธีที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นต้นทั้งหมดย่อมไม่ควรการเย็บ ด, ด้วยเข็มตามปกตินั่นแหละจึงควร เขาทำผ้าลูกดุมและผ้าห่วงลูกดุมแปดมุมบ้างสิบหกมุมบ้างที่ลูกดุมและรังดุมนั้นก็แสดงรูปต่างๆมีรูปคล้ายเจดีย์ชื่ออักิยะรูปคทาและรูปไม้ตะบองเป็นต้นย็บยกเป็นรูปตาปูไว้วิธีทั้งหมดนั้นไม่ควรจะทำผ้าลูกดุมและห่วงลูกดุมไว้เพียงสี่มุมเท่านั้นจึงควร มุมและปมได้เป็นของที่รู้ได้ยากในเวลาย้อนจีวรแล้วสมควรอยู่จะใส่จีวรลงในน้ําต่างๆมีน้ําส้มพ้าอุม่มแป้งและน้ําข้าวเป็นต้นไม่ควรแต่ในเวลาทําจีวรจะใส่ลงเพื่อล้างเหงือ่อมือและสนิมเข็มเป็นต้นแั้นในเวลาที่จีวรสกปรกจะใส่ลงเพื่อซักให้สะอาดก็ควร จะใส่ของหอมคลั่งหรือน้ำมันลงในน้ำย้อมย่อมไม่ควรเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำยาซักผ้าหอมอะไรต่างๆอันนี้ก็ควรจะพิจรารณาว่าเหมาะสมหรือไม่สำหรับบรรพชิตอันหนึ่งในบรรดาจุรนสำหรับย้อมทั้งหลายเว้นขมิ้นเสียน้ำย้อมเกิดแต่หัวควรทุกอย่างเว้นฝางกับแกแลเสีย น้ำย้อมเกิดแต่ลำต้นควรทุกอย่าง้ำต้นของต้นขนุนนี่ก็เหมาะควรอย่างยิ่งเพกลิ่นก็หอมอยางก็ใช้ประโยชน์ใต้ดีก็คือกันกลิ่นเหงือ่อแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นขี้เกลือด้วยต้นไม้มีหนามชนิดหนึ่งชื่อแกแลน้ำย้อมเกิดแต่ลำต้นแห่งแกแลนั้นเป็นของมีสีคล้ายหรอระดานจัดเป็นน้ำย้อมเกิดแต่ลำต้น เว้นโลดกับมะพูดเสียน้ำย้อมเกิดแต่เปลือกควรทุกอย่างเว้นใบมะเกลือกับใบคลามเสียน้ำย้อมเกิดแต่ใบควรทุกอย่างแต่ผ้าที่คดหัดใช้แล้วย้อมด้วยใบมะเกลือครั้งหนึ่งก็ควรเว้นดอกทองกวาวกับดอกคำเสียน้ำย้อมเกิดแต่ดอกควรทุกอย่างส่วนในน้ำย้อมที่เกิดแต่ผล ผลอะไระไรจะไม่ควรหามีไม่ก็คือนําย้อมที่เกิดจากผลนี้ควรทั้งหมดอันภีกตุย้อมจีวรไม่ควรเอาสังหรือแก้วมณีหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งทุบจีวรไม่ควรคุกเข่าทั้งสองลงที่พื้นดินแล้วเอามือทั้งสองจับจีวรขัดถูแม้ที่รังย้อมแต่วางจีวรไว้ที่รังย้อมหรือบนแผ่นกระดาแล้วให้จับชายทั้งสอง รวมกันไว้เอามือทุบสมควรอยู่แม้การทุบนั้นก็ไม่ควรเอากำตั้นทุบคือไม่ควรจะเอากำปั้นทุบแต่ว่าเอาฝ่ามือทุบนี่ไม่เป็นไรแต่พระเทเรซในปางก่อนทั้งหลายไม่ได้วางจีวรไว้แม้ที่รางย้อมเลยคือพิสษุรูปหนึ่งเอามือจับชีวรยืนอยู่อีกรูปหนึ่งวางชีวรไว้บนมือแล้วจึงเอามือทุบ ไม่ควรทุบเส้นด้ายที่หูจีวรแสดงว่าจีวรนนั้นมีหูด้วยนะในเวลาย้อมเสร็จแล้วควรตัดทิ้งเสียส่วนด้ายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้อย่างนี้ว่าดูกนทิกษุดทั้งหลายเราอนุญาตเส้นด้ายที่หูจีวรดังนี้นั้นควรทำให้เป็นบ่วงผูกไว้ที่อนุวาดเพื่อคล้องจีวรไว้ในเวลายา้อม แม้ที่ลูกดุมจะมีลวดลายหรือขอดปมไว้เพื่อทำให้สวยงามก็ไม่ควรต้องทำลายเสียก่อนจึงควรใช้สอยที่บาทหรือที่ภาชนะจะเอาเหล็กการเขียนลวดลายหรือจะเขียนไว้ทั้งภายในภายนอกก็ตามลวดลายนั้นไม่ควรจะยกบาทขึ้นกลึงให้เกลี้ยงเกลาแล้วจึงระบมด้วยคิดว่าจะทำให้มีสีดุดแก้วมณีก็ไม่ควร ตัวบา ท, ที่มีสีเหมือนน้ำมันควรอยู่บางเวียนรองบาทที่วิจิตด้วยลวดลายต่างๆก็ไม่ควรแต่ที่เป็นรูปปันมังกรควรอยู่สําหรับธรรมกตกและร่มจะมีลวดลายไว้ข้างบนหรือข้างล่างหรือว่าภายในกระพุ้งธรรมกตกก็ตามไม่ควรแต่ร่มนั้นจะมีลวดลายไว้ที่ขอบปากร่มควรอยู่ เพื่อจะให้ประกดเอวงดงามจะทุบได้ให้พองขึ้นเป็นสองเท่าในที่นั้นๆคือทําให้นูนขึ้นเป็นลวดลายตะปูข้อนั้นไม่ควรแต่ที่สุดทั้งสองข้างจะทุบให้พองขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อความทนทานแห่งปากชายผ้าควรอยู่ส่วนที่ปากชายผ้าจะทํารูปแปลกประหลาดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้จะเป็นรูปหม้อน้ําก็ตามรูปหน้ามังกรก็าตามรูปศีษะงูน้ําก็ตามไม่ควร แม้ประกฏเอวที่เขาแสดงรูปตราช้างไว้หรือที่เขาทุบทำเป็นลวดลายดอกไม้เป็นต้นไว้ในที่นั้นนั้นไม่ควรแต่จะทุบทำเป็นเงี่ยงปลากระเบนก็ตามเป็นใบเป้งก็ตามเป็นแผ่นผ้าที่เกลี้ยงกลาวก็ตามไว้ตรงๆเท่านั้นจึงควรประกฏเอวมีชายเดียวสมควรมีสองสามแม้ถึงสี่ชายก็ควรเกินกว่านั้นไปไม่ควรได้หนึ่งสองสามสี่ชายเลยนะ ประคตเอวทำด้วยเชือกเส้นเดียวเท่านั้นจึงควรส่วนที่มีสันฐานดุดสายสังวานแม้เส้นเดียวก็ไม่ควรแต่ชายแม้จะมีสันฐานดุดสังวานก็ควรประคตเอวที่เขาเอาเชือกมากเส้นรวมกันเข้าแล้วเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งพันรอบไว้ไม่ให้มีระหว่างไม่ควรเรียกว่าเป็นประคตเอวมีเชือกมากเส้นการผูก ป, ประคตเอวที่มีเชือกมากเส้นนั้นควรอยู่ หมาว่าเอามาผูกให้มันรวมกันที่ลูกทวินของพระโคดเอวจะมีรูปแปลกๆอย่างใดอย่างหนึ่งมีรูปมงคลแปลกเป็นต้นไม่ควรจะมีเพียงรอยพอเป็นเครื่องกําหนดควรอยู่ในชายทั้งสองของลูกทวินเขาทําแม้เป็นรูปหม้อน้ําไว้เพื่อทําให้จนทานรูปหม้อนั้นนี้ก็ควร ที่กล่องยาตาจะมีรูปสตรีบุรุษสัตว์สีเท้าและรูปนกก็ตามจะมีรูปแบบแปลกๆต่างประเภทเป็นต้นว่าลายดอกไม้ลายถาวรฟันมังกรมูดโคและรูปพระจันทร์ครึ่งซี่ก็ตามไม่ควรรูปที่กล่องยาตาควรขูดหรือตัดออกเสียหรือว่าเอาได้พันปิดไว้โดยอาการที่รูปจะไม่ปรากฏเพิงใช้ตอยเถิดในสมัยนี้ก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะกล่องยาตา ส่วนกล่องยาตาสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมหรือสิบหกเหลี่ยมตรงๆเท่านั้นจึงควรแม้ข้างล่างกล่องยาตานั้นจะมีรวดลายกลมๆไว้เพียงสองหรือสามแห่งก็ควรถึงแม้ที่คอกล่องยาตานั้นจะมีรวดลายกลมๆไว้เพียงหนึ่งแห่งเพื่อผูกฝาปิดก็ควรแม้ที่ไม้ป้ายาตาจะมีรวดลายที่มีเสียเกี้ยงเล่าไม่ควร ถึงแม้ถุงกล่องยาตาจะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกล่ำด้วยได้มีสีต่างๆชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ควรแม้ฝักกุญแจก็มีในอย่างนี้เหมือนกันที่ตัวกุญแจจะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกล่ำไม่ควรที่ฝักมีดโกนก็เหมือนกันอันหนึ่งที่ฝักมีดโกนนี้จะเป็นชนิดไร่ไรก็ตามที่เย็บ ด, ด้วยได้สีเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงควร จุดประสงค์ก็คือไม่ให้ประดับตกแต่งเพื่อที่จะทําให้สวยสดงดงามเพราะว่าพระศิกษก็ควรที่จะเป็นผู้ที่ขัดกล่าวมักน้อยสันโดษ้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปออ่นก็คือไม่ใช้ของที่วิริศมาลาสวยสดงดงามงต่างๆแม้ที่เหล็กมาจะมีปุ่มแก้วกลมๆหรือวัตถุอย่างอื่นที่มีสีเลี้ยงกลางก็ตามไม่ควรเหล็กมาก็คือเหล็กเอาไว้เจาะ ส่วนที่คอจะมีลวดลายพอเป็นเครื่องกําหนดคือเป็นที่สังเกตควรอยู่แม้ที่กันไก่จะวางมีดตัดเล็บที่เขาทําให้มีรอยมีดไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการทําให้มีรอยมีดไว้นั้นย่อมควรที่ไม้สีไฟตัวผู้ก็ดีที่ไม้สีไฟตัวเมียก็ดีที่ธนูยนต์สําหรับดึงไม้สีไฟที่บนคันลุ้งคือที่ด้านบนด้ามที่ใช้หัวจับตะลุมพุกก็ดี จะมีลวดลายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลวดลายดอกไม้เป็นต้นที่มีสีเปื้อนกล่าวไม่ควรส่วนตรงกลางคันลุงมีวงกลมที่ตัววงกลมนั้นจะมีเพียงลวดลายพอเป็นเครื่องกำหนดก็ควรพวกชนสร้างแหนบสำหรับเป็นเครื่องขัดถูเข็มไว้ที่แหนบสำหรับขัดถูเข็มนั้นจะมีลวดลายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกบปากมังกรเป็นต้นที่มีสีเปื้อนกล่าวไม่ควรแต่เพื่อจะให้ขัดเข็ม จะมีเพียงปากไว้ก็ได้ปากมังกร น, นั้นย่อมควรแม้ที่มีดสำหรับตัดไม้สีฟันจะมีลวดลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสีเกลี้ยกล่ำไม่ควรที่ข้างทั้งสองหรือข้างหนึ่งของมีดนั้นจะเอาโลหะที่เป็นกัปปิยะถูกไว้เป็นสี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมตรงๆนั่นแหละจึงควรแม้ที่ไม้เท้าจะมีลวดลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสีเกลี้ยกล่ไม่ควร ข้างใต้ใเท้าจะมีลวดลายกลมๆไว้หนึ่งแห่งหรือสองแห่งและข้างบนจะมีเพียงรูปเห็ดหัวงูตูมไว้ก็ควรบรรดาภาชนะน้ำมันรูปที่เหลือแม้ทั้งหมดที่มีลวดลายเกลี้ยงเกลาซึ่งมีอยู่ที่ภาชนะเขาสัตว์ก็ดีทนานก็ดีกระโอกน้ำเต้าก็ดีขันจอกที่ทำด้วยจุลนมะขามป้อมก็ดีเว้นรูปภาพสตรีและบุรุษเสียย่อมควร รูปยางอื่นทั้งหม ด, ดยกเว้นรูปสตรีกับบุษอยังอื่นก็ใช่ได้ในบรรดาเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้คือเตียงตั้งฟูกหมอนเตื่องลาดพื้นแปลงเช็ดเท้าฟูกรองที่จงกลมไม้กวาดกระถางหยาดเยื่อรางย้อมผ้ากระบวยน้าดื่มหม้อน้ำดื่มกระเบื้องเช็ดเท้าตั้งกระดานเชิงวลยเชิงรองไม้สดึง เชิงรองนะแล้วก็ไม้เสดึงฝาบาทขั้วใบตาลและพัดวีชนีจะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงกล่ำมีลายดอกไม้เป็นต้นทั้งหมดก็ควรพวกเตียงต่างฟูกหมอนอะไรพวกนี้ก็มีลายได้นะส่วนในเศนาสะนะที่บานประตูและบานหน้าต่างเป็นต้นจะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกล่ำแม้ที่ตกแต่งประดับประดาด้วยรัตนะทั้งหมดก็ควร ในเสนาสนะไม่มีลวดลายอะไรๆที่ควรห้ามไว้เว้นแต่เสนาสนะที่ผิดเศนาสนะที่พวกราชวัร ล, ลบสร้างไว้ในเขตของเจ้าของเขตเหล่าอื่นเรียกชื่อว่าเสนาสนะที่ผิดก็ไปสร้างไว้ในที่ของคนอื่นเพราะฉะนั้นพวกราชวัร ล, ลบผู้สร้างเสนาสนะเช่นนั้นอันเิตกุผู้เป็นเจ้าของพึงตัดเตือนว่าพวกท่านอย่าทาเสนาสนะในสีมาของพวกเรา ถ้าพวกเขายังไม่เออเฟือยังขืนทำอยู่นั่นเองทิษุเพิ่งตักเตือนซ้ำอีกว่าพวกท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อย่าได้ทำอันตรายแกอุโบสถและประวัรณาของพวกเราอย่าได้ทำลายความสามัคคีเสนาสนะแม้ที่พวกท่านสร้างไว้แล้วจับไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่พวกท่านสร้างไว้แล้วถ้ายังขืนสร้างอยู่โดยพระราชา น, นั่นเองเวลาใดเจ้าของเขตเหล่านั้นมีรักชีบริษัทหนาแน่นขึ้น ทั้งอาจได้ความวินิจฉัยที่ชอบทำเวลานั้นควรส่งข่าวแก่พิกจุเหล่านั้นว่าจงผลเอาที่อยู่ของพวกท่านไปเถอดถ้าเมื่อส่งข่าวไปถึงสามครั้งแล้วเธอเหล่านั้นรื้อถอนไปข้อนั้นเป็นการดีถ้ายังไม่รื้อถอนไปใจควรทําลายเทยนาสนะที่เหลือเสียยกไว้แต่ต้นโพและเจดีและอย่าทําลายให้เป็นของที่ใช้การไม่ได้อันหนึ่งควรนําวัตถุต่างๆมีเครื่องมุงหลังคากรอนเรือน และอิดเป็นต้นออกไปตามลำดับและควรส่งข่าวแก่เธอเหล่านั้นว่าจงขนทัพพระสัมภะของพวกท่านไปเถิดถ้าเขานำไปนั่นเป็นการดีถ้าเขาไม่นำไปใจ้อันหนึ่งเมื่อทัพพระสัมภะเหล่านั้นผุพังไปเพราะน้ำค้างฝนและลมแดดเผาเป็นต้นก็ดีหรือถูกโจรลัดไปก็ดีหรือถูกไฟไหม้ก็ดีพวกพิกษุผู้เป็นเจ้าของสีมาไม่ควรถูกปณินน และย่อมไม่ได้เพื่อที่จะโจดว่าพวกท่านทําให้ทัพพระสัมภระของพวกเราที่หายหรือว่าสินใช้มีแก่พวกท่าน น, นี้ไม่ได้เพราะส่งข่าวไปแล้วซึงสามครั้งให้มาเอาก็ไม่มาเอานะสิ่งใดที่พิกษุผู้เป็นเจ้าของสีมากระทําแล้วสิ่งนั้นเป็นอันทํำดีแล้วพิกษุแม้ใดเป็นพหูสูตรรู้วินยัยเห็นพิกจุรูปอื่นถือเอาบริขารที่เป็นอกัติยะที่ยวไป พึงให้ตัดทิ้งหรือพึงให้ทำลายเสียที่สูตนั้นไม่ควรถูกตำหนิไม่ควรถูกโจดหรือทำให้เธอให้การย่อมไม่ได้เพื่อกล่าวกับเธอว่าท่านทำลายบริขารชื่อนี้ของเราท่านจงให้บริการ น, นั้นของเราดังนี้จงให้คืนมานะให้ทำลายไปแล้วเอย่าเอาคืนมาอันนี้พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าพระผู้รู้วินัยนั้นอ น, นุเคราะห์เอื้อเฟื้อเพราะว่าจริงๆแล้วพระวิสุทก็ ไม่ควรในการที่จะใช้บริการที่หรูหราสวยสดงดงามอะ ต, ต่างๆเป็นที่ตั้งของความโลภ ก, ก็เป็นปัใจที่ทําให้ไม่ได้สมาธิทําให้ฟุ้งซ่านทําให้หวงแหนยึดถือธาจุติในตอนนั้นก็อาบายไปที่หวังจบคาถาวินิจฉัยเรื่องบริฐานในบาลีมุตตะวินิชยะสังหะสาธุสาธุสาธุ